เป็นสิ่งที่ทําเป็นเหตุให้เกิดกทุกข์ทุกตัวที่สําคัญนะคือตัณหามันก็จบไปแล้วาถามนะคะว่าคือคือคือสมมุติสมมตริรู้สึกไปแล้วอันนี้คือจบไปแล้วแล้วพอเราเอามาคิดอีกรอบหนึ่งมันก็กลายเป็นจิตสองจิตที่สองมาดูจิตที่หนึ่งใช่ไหมคะตัวนี้ไอ้จิตตัวนั้นมันคืออุปท า, านทีนี้ก็มันรู้ไปแล้วจะทํายังไงดีคะว่าอย่าชั่วครั้งที่สาม <S <S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 คุณจะทำอะไรเลือเทิรไม่ได้น้ไอ้พวกนี้ไปหนักเล่นงานคุณเ <c oughs> ขาก็จะไปยกให้คุณพิมใจเนี่ยเป็นอะไรจะเป็นทรงอะไรเนีย่ยจะดูแล้วก็จะเลียกว่าเาข้าทรงอะไรทีนี้ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกนี่อุปทานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสลัดภาพนี้ิรุตได้จิตหลุ ด, ดพ้นเลยอพิสูจน์ทั้งหลายหนึ่งันรูปเข้าถึงแล้วซึ่งความคิดไปอาสวะเพราะหลุดพ้นดังนั้นเรื่องนี้สําคัญ